ส้มส่งเันบ้านก็เห็นสภาวะเพิ่มขึ้นนะคะมีโกรธขัดใจเศร้าแล้วก็ตกใจทุกเนี้ยค่ะเหมือนตระกูลโทสะทั้งหมดเลยนี่พี่ว่ามันโกรธขัดใจเศร้าพวกโทสะทั้งนั้นเวลาเราปฏิบัติเราไม่ได้ปฏิบัติเพื่อไม่ให้กิเลสเกิดกิเลสเกิดก็ได้ แต่ว่ากิเลสเกิดแล้วพอรู้แล้วก็ต้องเป็นกลางกับมันอย่างใจมันจะปรุงกิเลสปุงโทสะอะไรนะห้ามมันไม่ได้มันปรุงขึ้นมาแล้วพอสติเราไประลึกรู้แล้วเราจะทําทอะไรต่อให้สักว่ารู้สักไว้เห็นแล้วจบลงแค่รู้ไม่ใช่พอโทสะเกิดขึ้นมาเห็นปับ๊บหาทางแก้ตัวที่เราหาทางแก้เนี่ยคือเราเข้าไปปรุงแต่งแล้ ธรรมดาจิตมันจะปรุงแต่งกิเลสขึ้นมาไม่เป็นไรแต่เราอย่าไปปรุงแต่งจิตนักปฏิบัติส่วนมากนะที่ทำให้เนิ่นช้าภาวนาแล้วมันไม่เกิดมรรคผลสักทีนี่เชอบเข้าไปปรุงแต่งจิตปรุงแต่งกายปรุงแต่งจิตเาคิดถึงเรื่องปฏิบัติเก็เรื่องเข้าไปปรุงแต่งใบบังคับกายบังคับใจส่วน แต่ถ้าเราปล่อยให้กายให้ใจให้ขันห้าเขาทํางานของเขาเราตามรู้ตามดูไปอย่าเข้าไปแทรกแซงเขาพาใจเราไม่ปรุงแต่งนะใจมันไม่ดิ้นใจไม่ดิ้นใจก็มีความสงบสุขนะเห็นขันมันปรุงแต่งไปแหละใจมันตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูมีความสงบสุขอยู่อย่างนี้ปัญญามันจะเกิด มีจะเห็นเลยขันนี้มันทำงานได้เองทั้งวันทั้งคืนขันไม่เที่ยงเราจะเห็นเลยขันนี่เราบังคับไม่ได้มันทำงานเองนะบังคับไม่ได้ดูออกหรือยังมันทำงานของมันได้เองในการปฏิบัตินเราต้องปฏิบัติจนเราเห็นขันห้าเห็นกายเห็นใจเห็นรูปเห็นนามมันเป็นความปรุงแต่งมันก็ปรุงไปตามหน้าที่ของมันขันห้าเป็นสังฆะธรรม เป็นทรที่ยังปรุงแต่งอยู่ยังไม่ได้ไปฝึกให้มันไม่ปรุงแต่งหลายคนพยายามไปฝึกให้มันไม่ปรุงแต่งเช่นหาทางทำยังไงใจเราจะไม่คิดไม่นึกไม่ได้ใจต้องคิดต้องนึกหน้าที่ของจิตใจต้องคิดต้องนึกไม่ได้ไปแกล้งทำงั้นให้ขันห้าเขาปรุงเขาไปให้จิตใจเขาทำงานเข้าไปอย่าไปแทรกแสงตัวนี้สาคัญนะตัวนี้ ที่เนิ่นช้าไม่เกิด <standen> มาเกิดผลก็เพราะเข้าไปแทรกแสงไม่สักว่ารู้สักว่าเห็นส่วนใหญ่เพราะความโกรธเกิดขึ้นทํายังไงจะหายโกรธความเศร้าเกิดขึ้นทํายังไงจะหายเศร้าแทนที่จะดูว่าความโกรธเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปความเศร้าเกิดขึ้นตั้งอยู่ก็ดับไปทําทั้งหลายเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปแทนที่จะเห็นอย่างนี้เห็นทุกอย่างเกิดแล้วดับไปพยายามแทรกแสง พอความโกรธเกิดมันก็แผ่เมตตามั่งพุทโธบ้างโรางกรธนอบ้างเลยพอหายไปแล้วก็ดีใจความโลภเกิดขึ้นนะหรือราคะเกิดขึ้นก็พิจารณาสุภาบ้างนะพุโทโธบ้างหายใจบ้างโลภนอบ้างนะหาทางแก้ไขนะยิ่งเราขยันแก้ไขเนะี่ยเราจะสะสมความเห็นผิดมากขึ้นมากขึ้น ฝึกไปจนแก่ชำนานนะเราจะรู้สึกว่าจิตใจนี้เป็นอัตตาเป็นของบังคับได้แทนที่จะเห็นว่าเป็นอนัตตาไป เ, เห็นว่าเป็นอัตตายิ่งเราฝึกทาสมาธิเยอะๆเราบังคับจิตได้นะยิ่งพอกพูนความเห็นว่าจิตเป็นของบังคับได้เนื้อวิปัสสนาจะไม่ใช่เรื่องการบังคับจิตไม่ใช่เรื่องบังคับกายต่ให้รู้กายให้รู้จิตตามความเป็นจริง ตาความเป็นจริงก็คือเขาทํางานทั้งวันทั้งคืนเขาปรุงแต่งร่างกายก็ต้องทํางานทั้งวันทั้งคืนหายใจเข้าหายใจออกกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายยืนแล้วก็เดินแล้วก็นั่งแล้วก็นอนเลยรนี่เขาทำงานไปทั้งวันทั้งคืนจิตใจก็ทํางานทั้งวันทั้งคืนเ ด, fic, เดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายไปเรื่อยๆเดี๋ยววิ่งไปทางตาเดี๋ยววิ่งไปทางหูเดี๋ยววิ่งไปทางใจวิ่งไปคิดไม่ได้ห้ามนะ ตามรู้ตามดูไปจนเห็นความจริงมันทำงานเองมันไม่เที่ยงมันเป็นอนัตตามันซนอยู่ในภาวะอันใดันหนึ่งไม่ได้ ใ, ใจของเรานะเป็นกลางอยู่ดูอย่างเป็นกลางดูแบบไม่เข้าไปแทรกแซงตัวนี้ตัวสำคัญส่วนมากชอบแทรกแซงแทรกแซงแล้วมันไม่เห็นไตรลักษณ์จะรู้สึกว่าเราบังคับได้พระโสดาบันไม่ได้รู้อะไรเยอะนะ สวดาบันรู้แค่ว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นก็ดับไปธรรมดาของสิ่งต่างๆเกิดขึ้นได้ก็ดับไปเยเราต้องเห็นตรงนี้ให้มากๆไม่เข้าไปแทรกแสงนจิตใจเราเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกขนะ์ความสุขเกิดแล้วก็ดับความทุกข์เกิดแล้วก็ดับความโลภโกรธหลงเกิดแล้วก็ดับเราเห็นอย่างนี้เรื่อยๆไม่ใช่ไปช่วยมันดับถ้าไปช่วยมันดับนั่นะใจรู้สึกว่ากูเก่งกูเก่ง เพิ่มมาน่อัตตาเพื่อนบิงั้นรูน้ให้รู้สภาวะทั้งหลายตามที่เข้าเป็นไม่เข้าไปแทรกแสงไม่เข้าไปบังคับให้ตามรู้ตามเห็นความเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของกายของใจทำงานทั้งวันทั้งคืนตามรู้ตามเห็นไปเรื่อยๆไม่ใจที่เป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแสงในชาวห้องสมุด บ้านอารีลูกศิษย์จั์สุรวัตรตอหลวงพ่อสอนจันสุรวัตรไม่ได้สอนเยอะนะจันสุรวัรอินทรีแก่กล้ามาแต่ก่อนนะสอนนิดๆหน่อยๆเริ่มต้นสอนแค่บอกว่าพ่อมาเจอหน้านะยังรู้ตัวไม่เป็นเลยใช้ไม่ได้หรอกบอกแค่นั้นแกก็ค่อยๆรู้สึกตัวขึ้นมาก่อนหน้าที่อาจารย์สุรวัตรจะมาเจอหลวงพ่อเขียนเมลมาถามก่อน มาเล่าบอกว่าเขาปฏิบัติโดยการที่พอเห็นสภาวะอันใดนหนึ่งแล้วก็จะต้องเอาสภาวะนั้นมาพิจารณาแก้ไขเช่นเห็นความโกรธก็จะต้องมาพิจารณาความโกรธจนกว่าจะหายโกรธตอนนั้นวันวั น, ว น, วนหนึ่งหลวงพ่อตอบเมลเยอะเหลายสิบฉบับตอบไปสั้นนิดเดียวที่ทําอยู่ก็ผิดให้รู้สภาวะไม่ใช่ให้แก้สภาวะสอนไปแค่นี้นะแกรู้เลยว่าแกต้องรู้ทุกคือรู้ความโกรธรู้อะไรที่เกิดขึ้นมา ไม่ใช่เข้าไปแก้ไขมั่นะสำคัญนะนี้เป็นหลักปฏิบัติที่สำคัญมีแก่ดูขอแ ก, แกอย่างนี้แหละสภาวะอะไรเกิดขึ้นก็ดูไปเสร็จแล้วดูแล้วชอบหลงเข้าไปแทรกแสงความโกรธเกิดก็หาทางละกุศลเกิดหาทางรักษาจิตใจมันจะคอยทำงานต่อแกก็อุตส่าห์เขียนกระดาษนะไปแปะไปตามที่ต่างๆรอบๆตัวแปะไ้ตามจอคอมพิวเตอ ร, ร์บ้างอนะไรบ้างเนี่ย ให้รู้สภาวะทั้งหลายด้วยความเป็นกลางแปะไปทำนองนี้แล้วก็ครรู้คอยดูจิตใจของตัวเองไปนะดูทุกวันดูอยู่ไม่นานนะเจ็ดแปดเดือนหนึ่งก็เข้าใจธรรมะมันอยู่ที่ว่าเราปฏิบัติได้ตรงทางไหมแรกเลยถ้าเราไม่เห็นสภาวะไม่เห็นกายเห็นใจที่มันทำงานไปตามธรรมชาติธรรมดาไม่มีวันบรรลุมรรคผลนิพพาน พระการที่เราจะบรรลุมรรคผลอันแรกเลยเราต้องเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราพระโสดาบันเห็นกายเห็นใจไม่ใช่เราพระอนาคาวางความยึดถือกายได้พระราหันวางความยึดถือใจได้นั้นตลอดสายของการปฏิบัติมีแต่เรื่องกายกับใจถ้าไม่รู้กายไม่รู้ใจก็คือไม่ได้ปฏิบัติวิปัสสนาแล้วทำไมให้รู้กายรู้ใจเพื่อวันหนึ่งจะได้ถอดถอนความเห็นผิดว่ากายกับใจเป็นตัวเรา รู้มากเข้ามากเข้าเห็นไม่ใช่เราเนี่ยละความเห็นผิดได้ได้โสดารู้ต่อไปรู้กายรู้ใจต่อไปจนหมดความยึดถือกายยึดถือใจแล้วหมดทุกข์นั่นเองใจที่มันสลัดคืนความยึดถือกายยึดถือใจทิ้งไปนะใช่มันจะพ้นทุกข์จะไม่มีภาระอะไรที่ต้องแบ่หามให้ลำบากยากเย็ยนอีกต่อไปในการปฏิบัติเนี่ยต้องรู้กายรู้ใจรู้แล้วต้องรู้อย่างเป็นกลางนะ ถ้ารู้แบบไม่เป็นกลางเข้าไปแทรกแซงเราจะไม่เห็นความจริงของเขาเหมือนเราอยากรู้จักพฤติกรรมของเด็กสักคนหนึง่งเราต้องปล่อยให้เขาเคลื่อนไหวทำงานของเขาไปเขาอยากเล่นเขาอยากซนอะไรปล่อยเข้าไปแล้วเราคอยตามดูเราถึงจะเห็นพฤติกรรมจริงๆของเขาถ้าเราไปถือไม่เรียวเฝ้าไว้ทั้งวันนะเด็กก็ไม่แสดงตัวจริงให้ดูเราไม่เห็นความจริงของเขาจิตใจนี้ก็เหมือนกันนะเหมือนเด็กคน เดี๋ยวหัวเราะเดี๋ยวร้องไห้เดี๋ยวทื่อเดี๋ยวโนเดี๋ยวอารมณ์ดีเดี๋ยวอารมณ์ ร, มร้ายเราใคยไปนั่งจ้องตาไมกา่กระพลิบนะมันเครียดนะมันเครียดเด็กนะั้นมันเครียดมันก็ทื่อๆไม่ยอมกระดุกกระดิกนะรอให้เราเผลอเมื่อไหร่มันจะเล่นงานมันจะโนกว่าเก่าจิต ใ, ใจนี่ก็เหมือนกันนะเหมือนเด็กเราอยากรู้พฤติกรรมของเด็กเราก็ต้องตามดูอยู่สบายๆอย่าไปจ้องใส่มากเดี๋ยวเด็กเกร็ง อย่าดูจิตดูใจก็ตามดูไปเรื่อยๆอย่าไปแทรกแซงมันดูอย่างที่มันเป็นมันเป็นอะไรมันจะเป็นไตรลักษ์ให้ดูแรกเลยมันจะแสดงความไม่เที่ยงให้เห็นจิตใจมันทำงานทั้งวันทั้งคืนทำงานได้ทั้งวันทั้งคืนคิดนกปรุงแต่งทั้งวันทั้งคืนนี่มันแสดงความไม่เที่ยงให้ดูมันไม่อยู่นิ่งในสภาวะอันใดอันหนึ่งนี่แสดงทุกข์ให้ดูเราบังคับมันไม่ได้มันทางานของมันได้เอง <ü nte> ย่งจิตจะดูจิตจะฟังจิตจะคิดเนี่ยมันก็ดูมันก็ฟังมันก็คิดของมันเองเราเลือกไม่ได้นะว่าจะดูหรือจะฟังรอรอยังเลือกไม่ได้เลยหรือจิตมันจะปรุงขึ้นมาจะเป็นกุศลหรือกกลลอกุศลเราก็เลือกไม่ได้เนี่ยเฝ้าดูไปเพื่อจะได้เห็นความจริงพอ เ, เห็นความจริงรู้เลยโอ้ไม่ใช่เราหรอกได้โสดาแล้วความจริงก็คือธรรมะนั่นเองเรื่งมีดวงตาเห็นธรรมก็คือได้เห็นความจริงแล้ว ขันหมันไม่ใช่ตัวเรามันทํางานของมันได้เองทั้งวันทั้งคืนเพราะฉะนั้นต้องคอยรู้กายรู้ใจไว้รู้แล้วไม่แทรกแสงรู้ตามนี้เขาเป็นสักว่ารู้สักว่าเห็นมีคีย์เวิร์ดหลายตัวนะภาษามากมายหลายอย่างทวามจริงสภาวะอันเดียวกันนี่เราจะรู้กายรู้ใจได้ยังไงเราจะรู้กายรู้ใจได้ด้วยสติแล้วเราจะเห็นความจริงได้ด้วยปัญญา เครื่องมือมีสองตัวนะสติเป็นเครื่องระลึกรู้กายระลึกรู้ใจสติต้องเกิดขึ้นเองจงใจให้เกิดไม่ใช่สติตัวจริงปัญญาก็เกิดเองนะไม่ใช่นั่งคิดคิดเอาปัญญาเป็นความเข้าใจสติเป็นตัวรู้ทันนะปัญญามันเป็นตัวเข้าใจร่างกายเคลื่อนไหวสติรู้ทันจิตใจเคลื่อนไหวสติรู้ทัน ความสุขความทุกข์เกิดขึ้นสติรู้ทันตามรู้ไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวก็ตามรู้ไปจิตใจเคลื่อนไหวก็ตามรู้ไปตามรู้ไปเรื่อยๆนี่หน้าที่ของสติไม่ไปดักรู้ไว้ก่อนหลไรคนพลาดอีกไปดักรู้ไว้ก่อนไปจ้องจ้องไว้ไปรอดูรอดูว่าเมื่อไหร่ร่างกายจะเคลื่อนไหวรอดูว่าเมื่อไหร่จิตใจจะเคลื่อนไหวถ้ารอดูผิดนะต้องตามดู คำว่ากายานุ ป, ปัสสนาคือการตามเห็นกายการตามเห็นกายอนุปัสสนาประว่าการตามเห็นเวทนาเราก็ต้องตามเห็นเวทน า, า, า, นนานึงเรียกเวทนานุปัสสนาจิตเราก็ตามเห็นจิตเรียกว่าจิ ต, ตานุปัสสนาในหน้าที่ของสติคือหน้าที่ตามเห็นไปเรื่อยๆร่างกายเคลื่อนไหวสติก็ตามรู้ไปจิตใจเคลื่อนไหวสติก็ตามรู้ไป นี่พอตามรู้ไปเรื่อยๆแล้วใจตั้งมัน่นใจเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็นตรงนี้เรีว่ามีสัมมาสมาธิใจตั้งมั่นเป็นกลางปัญญามันจึงจะเกิดถ้าใจไม่ตั้งมัน่นเป็นกลางสักว่ารู้ว่าเห็นปัญญาจะไม่เกิดาสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญานเราต้องมีสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกรู้สึกอย่างที่เข้าเป็นไม่เข้าไปแทรกแซงเราก็จะเห็นความจริงเลย ร่างกายมันทำงานเองจิตใจมันทำงานเองไม่ใช่ตัวเรานี่เป็นตัวปัญญามีสติมีสมาธิมีปัญญาเครื่องมือสติเกิดจากอะไรต้องเรียนอีกแล้วมีเรื่องต้องเรียนเยอะนะสติเกิดจากธิระสัญญาทอถุงสลายรอเรือธิระที่แปลว่าสถียนธิระสัญญา หม่ยถึงการที่จิตมันจําสภาวะได้แม่นแล้วสติจะเกิดเช่นมันจําได้ว่าเผลอเป็นยังไงพอเผลอแวะไปสติจะเกิดเองระลึกขึ้นได้ว่าเมื่อกี้เผลอไปล้วตัวนี้สําคัญนะหลายคนที่มาเรียนกับหลวงพ่อแล้วงงๆว่าหลวงพ่อชอบไล่จี้ลูกศิษย์รุ่นก่อนๆก็จเจอไปเยอะรุ่นหลังนี้ไม่ค่อยได้เจอแล้วจี้ไม่ไหวนะเยอะเกินมาเรียนแรกๆคนน้อยๆสอนได้ทีละคนพาดูสภาวะทีละคน เผลอไปคิดแล้วรู้ไหมเครียดขึ้นมาแล้วรู้ไหมใจลอยไปแล้วรู้ไหมมีความสุขแล้วรู้ไหมสงสัยแล้วรู้ไหมหาดูสภาวะไปเรื่อยๆมันไม่ได้สอนอย่างอื่นนะที่หลวงพ่อสอนสอนให้ดูสภาวะให้เป็นพอหัดดูสภาวะได้มากเข้ามากเข้าเห็นสภาวะบ่อยๆจิตมันจะจําสภาวะได้แม่นเมื่อจิตจําสภาวะทําได้แม่นสติจะเกิดเอง สติเกิดจากการที่จิตจำสภาวะธรรมได้แม่นยำนั้นเราต้องหัดทำไมเราต้องตามรู้กายบ่อยๆ an เพื่อจะจำสภาวะของรูปได้แม่นทำไมต้องจำตามรู้เวทนาบ่อยๆเพื่อจำสภาวะของเวทนาได้แม่นทำไมตามดูจิตบ่อยๆเพื่อจำสภาวะของจิตที่เป็นกุศลอกุศลให้แม่นจำได้แม่นนะสติจะเกะิด <wszyst> บ่อย นี่สภาวธรรมมีมากมายนะในอภิธรรมต้องเรียนสภาวธรรมเจ็ดสบสองตัวเจ็ดสิบสองตัวแต่ถ้ากระจายอย่างละเอียดมีร้อยห้าสิบตัวเราเรียนทั้งหมดก็ไม่ไหวถ้าเรียนไม่ไหวเรียนคู่เดียวก็พอเลือกคู่ที่เกิดบ่อยที่สุดเลือกสภาวธรรมที่เกิดบ่อยที่สุดสักหนึ่งคู่แล้วเอามาดูนี่เป็นการเรียนแบบสุ่มตัวอย่าง เรียนแบบงานวิจัยเลยเล ย, เ, ลยเรียกว่าธรรมวิจัยศาสนาพุทธเรียนแบบงานวิจัยนะใช้คาว่าธรรมวิจัยอย่างคนไหนถนัดจะรู้กายก็เลือกกายบางอย่างมาเรียนเรียกว่ากายในกายกายในกายหมายถึงเรียนกายบางอย่างถ้าเข้าใจแจ่มแจ้งก็จะเข้าใจกายทั้งหมดบางคนถนัดเวทนาก็เลือกเวทนาบางอย่างมาเรียนถ้ารู้เวทนาอย่างนั้นแจ่มแจ้งแล้วก็จะรู้เวทนาทั้งหมด เรียนจิตในจิตนเลือกจิตบางอย่างมาเรียนถ้ารู้จิตอย่างนั้นแจ่มแจ้งแล้วก็จะเข้าใจจิตทั้งหมดนี่เราลองดูพวกเราทั้งหลายเนี่ยเป็นพวกคนเมืองวันๆชอบคิดพวกคิดมากเนี่ยเหมาะที่จะดูจิตพวกคิดมากเหมาะที่จะดูจิตนี่สภาวะธรรมทางจิตใจเนี่ยเราต้องมาลองวิเคราะห์ดูว่าสภาวะอะไรเกิดบ่อยที่สุดเราจะเลือกมาเป็นตัวอย่างของการศึกษา ถ้าไปเลือกสิ่งที่เกิดน้อยนะมันก็ไม่ดีนะนานๆจะเห็นทีหนึงนานๆสติเกิดทิงถ้าเลือกสิ่งที่เกิดบ่อยๆเราเรียนรู้มันตัวสองตัวให้แม่นๆแค่นี้ก็พอละสภาวะทางจิตใจจา แ, แนกเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นกุศลและอกุศลวันหนึ่งวันหนึ่งกุศลเกิดน้อยอกุศลเกิดมากอกุศลเกิดเยอะนะวันหนึ่งวันหนึ่งยกเว้นยกเว้น ยกเว้นคนที่ภาวนาไม่เป็นจะรู้สึกว่าวันหนึ่งวันหนึ่งจิตใจของเราเป็นกุศลเยอะเป็นคนดีเราเป็นคนดีนานๆชั่วสตินึงชั่วนิดๆหน่อยๆแต่ถ้าจเจริญสติเป็นจะรู้เลยวันหนึ่งวันหนึ่งนะชั่วเยอะนะกุศลมีน้อยอกุศลมีมากเดี๋ยวก็ชั่วเดี๋ยวก็ชั่วนะตลอดเวลาเลยงนในสภาวะธรรมระหว่างกุศลกับอกุศลเลือกเรียนอกุศลไว้ก่อนอกุศลมีมาก กุศลมีน้อยอกุศลจําแนกได้สามอย่างนะโลภโกรธหลงความโลภความโกรธมีน้อยนะความหลงมีมากเพราะทุกครั้งที่จะโลภจะโกรธจะต้องมีความหลงประกอบด้วยเสมอในขณะที่โลภในขณะที่โกรธเนี่ยต้องมีความหลงแต่เวลาที่ความหลงเกิดนี่เกิดเดี่ยวๆได้เพความหลงเป็นสภาวะที่เกิดบ่อยที่สุดเนี่ยเราก็ควรจะมาเรียนเรื่องความหลงให้มาก เรื่องโมหะให้เยอะหน่อยหัดรู้สภาวะของความหลงให้มากๆเพราะเป็นของที่เกิดบ่อยเกิดแทบทั้งวันเลยนะเกิดแทบตลอดเวลาเลยโมหะนี่ความหลงจำแนกออกไปอีกหลงได้หลายอย่างนะหลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริมรถหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปคิดนี่หลงทางใจหลงไปคิดหลงคิดเกิดบ่อยที่สุดในบรรดาหลงทั้งหลาย งั้นถ้าพวกเราหัดรู้สภาวะอะไรไม่ได้มากมายตั้งเจ็ดสิบสองชนิดหรือร้อยห้าสิบชนิดนะหัดรู้จักหลงคิดไว้อันเดียวก็พอละก็หลงคิดเป็นสภาวะเกิดทั้งวันอย่างหมอรังสรรเรียนมาสายหลวงพ่อเทียนหลวงพ่อเทียนก็เน้นเรื่องหลงคิดหลวงพ่อคําเขียนท่้เรียกลักคิดครูบาอาจารย์คู่นี้เก่งนะเก่งไม่ได้สายวัดป่าแต่เก่ง ถ้าท่านจับเอาเลยตัวที่หลงคิดลักคิดเกิดบ่อยที่สุดสังเกตไหมเรานั่งอยู่เฉยๆใจเราก็หนีไปคิดไประยะระยะนี่หัดดูของจริงแหละนั่งฟังหลวงพ่อพูดไม่ได้ฟังอย่างเดียวรู้สึกไหมฟังไปคิดไปสลับไปเรื่อยๆหัดดูอย่างนี้นะหัดดูไปหัดดูจากตอนที่นั่งฟังตรงนี้แหละถ้าทําตรงนี้เป็นแลนะกลับบ้านก็ทําเป็นถ้าตรงนี้ทําไม่เป็นกลับบ้านก็ไม่เป็นอยู่นั่นแหละสังเกตไหมฟังไปคิดไป คิดเยอะกว่าฟังอีกดูออกไหมพอหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บนะึกคิดยาวเลยให้รู้ทันจิตใ จ, ใจที่แอบไปคิดถ้ารู้ทันจิตที่ไหลไปคิดได้ปุ๊บความรู้สึกตัวจะเกิดอัตโนมัติเพราะสติเองเกิดจากการที่จิตจําสภาวะได้ถ้ามันจําสภาวะได้ว่าตอนนี้เผลอไปคิดแล้วมันจะรู้สึกตัวมันจะเลิกคิดนะรู้กับคิดเนี่ศัตรูกัน งันทันทีที่เรารู้ว่าใจหนีไปคิดภาพเราจะรู้สึกตัวขึ้หนหลวงพ่อสอนเรื่องจิตหนีไปคิดกับจิตที่รู้สึกตัวําว่ามีคําผีอะไรรองรับไหมจริงก็อยู่ในจิตตานุปัสสนานะั่นเองจิตมีโมหะกต่จิตไม่มีโมหะในจิตตานุปัสสนาเนี่ยพระพุทธเจ้าสอนจิตเอาไว้8ดคูไ่ไม่ได้สอนจิตทั้งหมดนะแต่สอนจิตเป็นคู่คู่เอาไว้แปดคู่ สี่คู่แรกนี่เป็นจิตทั่วๆไปสำหรับคนทั่วๆไปอีกสี่คู่หลังเป็นจิตสำหรับคนทำฌานพวกเราในห้องนี้ส่วนใหญ่ไม่ได้ทำฌานเรียนจิตสี่คู่แรกจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะนี่คู่หนึ่งจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะคู่หนึ่งจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะคู่หนึ่งจิตฟุ้งร่านกับจิตหดถูนี่คู่ คนไหนขี้โมโหโมโหทั้งวันอะไรๆก็โมโหตลอดเวลาก็ดูจิตมีโทสะกับจิตไม่มีโทสะถ้าจิตมีโทสะเกิดบ่อยๆยังดูจิตมีโมหะไม่ออกก็ดูจิตมีโทสะคนไหนโลภมากความโลภเกิดบ่อยก็ดูจิตมีราคะกับจิตไม่มีราคะนี่ตัวที่หลวงพ่อแนะนําก็คือจิตที่มีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจิตหลงกับจิตที่ไม่หลงจิตที่ไม่หลง เป็นตัวแทนของกุศลจิตที่หลงเป็นตัวแทนของอกุศลแม้เรียนแบบมีการสุ่มตัวอย่างนะถ้าเรารู้ทันาก็จะรู้เลยจิตมีสองอันหนึ่งทั้งวันจิตจะมีกี่ดวงก็ตามมีแปดสดวงร้อยอดวงอะไรก็ตามเถอะแต่ถ้าจําแนกแล้วจําแนกได้สองกลุ่มถ้าจาแนกด้วยโมหะก็มีสองกลุ่มคือจิตมีโมหะกับจิตไม่มีโมหะจําแนกด้วยโลภะก็มีสองกลุ่มจิตมีโลภะกับไม่มีโลภะ จำแนกด้วยโทสะก็มีสองกลุ่มนะมีโทสะกับไม่มีโทสะนี้เราเรียนจิตที่มีโมหะกับไม่มีโมหะจิตที่ไม่มีโมหะภาษ า, าแขกเรียกว่าอะโมหะอะโมหะนี่เป็นชื่อของอะไรรูม้มชื่อของปัญญาก็คือจิตที่หลงจิตที่งโง่กับจิตที่มีปัญญาจิตที่ลืมเนื้อลืมตัวกับจิตที่รู้สึกตัวเรียนตัวนี้ สังเกตเรื่อยนั่งฟังก็หนีไปคิดแวบแวบแวบเน่ยค่อยรู้ทันไปเรื่อยๆถามว่ารู้ไปถึงเมื่อไหร่รู้ไปเรื่อยก็บอกแล้วว่ารู้เรื่อยรู้เนืองเนือไม่ใช่รู้ถึงเมื่อไหร่สติปัฏฐานบอกให้รู้เนืองเนืองก็รู้เนื่งเนืองสิไม่ต้องคิดมากนะมันจะดูกี่นาทีกี่ชั่วโมงก็ดูเนืองเนืองรู้ทันในใจหนีแวบรู้สึกหนีแวบรู้สึกรู้ไปจันสุรวัตรไปเขียนตำรามาเล่มหนึ่งใช่ไหมเรื่องอะไรนะอันเนี้ยที่ว่าเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เนี่ย เขียนมาเล่มหนึ่งเลยอะไรนะลูกศิษย์มาตอบไม่ได้แล้วหลวงพ่อจะตอบได้ไงะ <c oughs> มีแต่เผลอแล้วก็รู้เผลอแล้วก็รู้่ทั้งเรื่องเนะี่ยเขียนทั้งเล่มหนึ่งนะมีแต่เผลอก็รู้ลงไปหัดอ่านนะดูเอาถ้าเรียนแค่นี้ได้ก็จะเข้าใจจิตทั้งหมดได้ถ้าจิตเผลอไปเนี่ยเป็นตัวแทนของอกุศลจิตที่รู้สึกตัวขึ้นมาเป็นตัวแทนของกุศล ถ้าเราเฝ้ารู้จิตคู่นี้ในที่สุดปัญญามันจะเกิดมันจะเห็นในยจิตที่เป็นอกุศลคือจิตที่หลงเนี่ยห้ามมันไม่ให้เกิดแตห้ามไม่ได้มันจะเกิดห้ามมันไม่ได้เมื่อเกิดแล้วไล่มันก็ไม่ไปนะจิตที่รู้สึกตัวสั่งให้เกิดก็ไม่ได้ตสติต้องเกิดเองสั่งให้เกิดไม่ได้ถ้าสั่งได้ก็เป็นอัตตาไม่ใช่อนัตตาสติก็เป็นอนัตตานะสั่งให้เกิดไม่ได้ น่จิตที่รู้สึกตัวเนี้สั่งให้เกิดก็ไม่ได้เกิดแล้วรักษาไว้ก็ไม่ได้่พวกเราที่ฝึกมาช่วงหนึ่งรู้สึกไหมเวลารู้สึกตัวรู้สึกได้แวบเดียวแล้วก็เลยหลงไปแล้วก็รู้ทันที่รู้สึกขึ้นมาอีกแวบหนึ่งก็หลงไปเราต้องคอยรู้สึกตัวบ่อยๆแต่ไม่ใช่รู้สึกตัวตลอดเวลานะรู้สึกตัวตลอดเวลาก็ใช้ไม่ได้อีกต้องรู้บ้างเผลอบ้าง เพราะฉั้นจิตใจของพวกเราเนี่ยจิตใจของมนุษย์ธรรมดาเนี่ยเหมาะที่สุดเลยที่จะทำํำนิพพสนาจิตใจของพวกพระพรหมอะไรเนี่ยไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่มันนิ่งไม่ค่อยมีไตรลักให้ดูจิตของเราเดียรรรเด๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็ ร, รู้เดี๋ยวก็เผลอเดี๋ยวก็รู้อย่างนี้ดีมันเห็นไตรลักษ์ไหมมันไม่เที่ยงตลอดเวลาเลยมันบังคับไม่ได้ด้วยมันจะเผลอหรือมันจะรู้สั่งไม่ได้มีจิตตัวหนึ่งเป็นตัวสั่งเรียกโธทัพณจิตตัวสั่งเราสั่งไม่ได้จิตมันเป็นไปเอง คนทั่วๆไปในโลกนี้นะไม่เคยมีสติเลยคนทั้งโลกหลงตลอดเวลาไม่เคยรู้สึกตัวเมื่อเขาหลงตลอดเวลาเนี่ยเขาจะไม่รู้ว่าเขาหลงอยู่งั้นเราต้องมีสติขึ้นมาเป็นระยะระยะนะพอเรามีสติขึ้นมาเป็นระยะระยะมันคล้ายๆเราตัดตอนชีวิตของเราขาดออกเป็นช่วงๆแต่เดิมมีช่วงเดียวคือหลงตลอดยาวตลอดเราก็คิดว่าจริงจังมากมีทาวล พอเรามีสติแวบขึ้นมานะความหลงก็ขาดลงไปเราจะเห็นเลยจิตที่หลงมันเกิดแล้วมันดับไปแล้ะเกิดรู้สึกตัวขึ้นมาเดี๋ยวก็หลงใหม่หลงใหม่พอรู้สึกตัวใหม่นะความหลงขาดอีกและเราจะเห็นเลยความหลงเนี่ยขาดเป็นช่วงๆความหลงก็แสดงไตรลักษณ์ได้ละขาดเป็นช่วงๆความมีสติก็แสดงไตรลักษณ์ได้เขาขาดเป็นช่วงๆเหมือนกันไม่ต้องมีสติตลอดเวลานะหลายคนมาถามหลวงพ่อทํายังไงจะมีสติตลอดเวลา ทำไม่ได้หรอกสติตลอดเวลาทำไม่ได้สติขณะจิตเดียวยังทำไม่ได้เลยงั้นหัดรู้สภาวะมากๆนะใจเผลอไปก็รู้ใจเผลอไปก็รู้หัดอันเดียวพอเพราะอันนี้เกิดบ่อยที่สุดเผลอไปคิดเนี่ยพอใจไหลไปคิดแวบบสติเกิดไหลไปคิดอีกแวบบสติเกิดถึงจุดหนึ่งปัญญามันจะเกิดจิตนี้เกิดดับตลอดจิตที่หลงเป็นตัวแทนของอกุศลจิตที่รู้สึกตัวเป็นตัวแทนของกุศลจิตฝ่ายกุศล ล้วนแต่เกิดแล้วดับเพราะฉะนั้นเวลาปล่อยวางเนี่ยจิตจะวางทั้งกุศลและอกุศลพร้อมๆกันจริงทั้งคู่นะไม่ใช่อาวันหนึ่งเกลียดอันหนึ่งเฉะนั้นไม่จําเป็นต้องมีสติตลอดเวลาไม่จําเป็นรู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างด้วยจิตใจปกตินี่แหละยิ่งแต่ว่าอย่าเผลอให้มันนานนักน่าเกลียดเผลอวันละครั้งนะน่าเกลียดมากเผลอตั้งแต่ตื่นจนหลับ เผลอได้ร0อยครั้งพันครั้งชั่วโมงหนึ่งได้ร้อยครั้งนี่ใช้ได้ละว <Yeah. S 1> พอใช้ได้ละจริงๆประมาณวินาทีสองวินาทีนะเนี่ยเผลอครั้งหนึ่งใจทิ้งอารมณ์เก่าไหลไปไหนก็ไม่รู้ถ้าสติเกิดเร็วพอไหลววบก็รู้สึกขึ้นมาก็ดับววบแล้วก็รู้สึกขึ้นมาเราก็จะเห็นเลยจิตนะันเกิดดับเกิดดับเกิดดับต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆทั้งที่เป็นกุศลและอกุศลเกิดดับสลับกันไปเรื่อยๆ จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นแล้วจิตอีกดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีช่องว่างเล็กๆมาขั้นเราจะเริ่มเห็นว่าสัน ต, ติคือความสืบเนื่องเนียขาดลงเนี่ยจิตขึ้นวิปัสสนาจริงๆไม่ใช่นั่งภาวนาเคลอ้มหมดสติไปบอกบรรลุมรรคผลนะอย่างนั้นใช้ไม่ได้เลยนะเหลวไหลเลยเวลาบรรลุมรรคผลมีจิตนะไม่ใช่ไม่มีจิต มีสติด้วยไม่ใช่ไม่มีสติมีเจตสิกประกอบไปมัคคจิตรจิตอีกสาสิกว่าตัวงั้นไม่ใช่ภาวนาไปวูบหมดความรู้สึกว่าตื่นขึ้นมาแล้วบอกเป็นพระอริยะล่ะไม่ใช่นะอริยะปลอมเยอะมากเลยภาวนาขาดสติงั้นคอยรู้สึกนะเกิดดับเกิดดับเกิดดับแต่เดิมเราจะเห็นว่าในนี้มีตัวเราอยู่คนหนึ่งพวกเรารู้สึกไหม ในนี้มีเราคนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆเป็นคนเดิมเนี่ยเราคนนี้เดี๋ยวนี้กับเราพรุ่งนี้ก็คนเดิมทำไมเราเห็นว่ามันมีตัวเดียวมีคงเดิมคนเดิมตลอดเพราะสัน ต, ติไม่ขาดความสืบเนื่องไม่ขาดเลยรู้สึกว่าเป็นอันเดียวแต่ถ้าสันติขาดเราเห็นจิตเกิดแล้วก็ดับวับลงไปเกิดแล้วก็ดับวับลงไปเราจะรู้เลยจิตนี้ไม่ได้มีดวงเดียว แต่จิตเกิดดับสืบเนื่องไปเรื่อยๆมัจะเห็นเลยตัวเราที่แท้จริงไม่มีนะทุกวันนี้รู้สึกไหมในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งในนี้มีเราอยู่คนหนึ่งวันใดที่ได้โสดาบันตัวนี้จะหายไปแล้วไม่ขึ้นมาอีกโดยไม่ต้องทําอะไรเลยไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษานะหายขาดไปเลยดูลงมาแล้วกลวงๆนะไม่มีเราไม่ใช่เรื่องเดือ ว, วิสัยนะเป็นเรื่องที่ทําได้ถ้าทําถูก ถูกวิธีแล้วก็ขยันหน่อยไม่ใช่วันนี้รู้แล้วก็ลืมไปสามวันกลับมารู้อีกอะไรอย่างงี้ไม่ได้กินเหมือนพายเรือถวนน้ำนะกะจะพายเรือไปให้ถึงเขื่อนเจ้าพญ า, นะาน้นานๆพ า, ายทีโวยโผอปากน้ำเนี่ยดูเรื่อยๆดูบ่อยๆใจเผลอไปแล้วคอยรู้เผลอไปแล้วคอยรู้ถึงจุดนึงจะเห็นแลวมันเกิดดับจิตเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปหาสิ่งที่ เป็นตัวตนถาวรไม่มีสันตติมันขาดอ่ะอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาดูมากเข้ามากเข้าใจก็จะค่อยเกิดปัญญามากขึ้นนะจนถึงจุดสุดท้ายที่เราปฏิบัติได้คือใจจะเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งปวงหัดใหม่ๆจะเกลียดไม่ชอบหลงชอบที่จะรู้ภาวนาไปมากเข้ามากเข้าจะเห็นเลยหลงก็รู้เกิดแล้วก็ดับเหมือนกัน บังคับมันไม่ได้เหมือนๆกันใจมันจะเป็นกลางต่อทั้งรู้และหลงใจมันจะเป็นกลางต่อทั้งสุขและทุกข์ทั้งดีและชั่วใจเป็นกลางใจเป็นกลางรู้สภาวะทั้งหลายที่เกิดขึ้นมาตั้งอยู่ดับไปด้วยใจที่เป็นกลางไม่ดิ้นรนต่อตัวนี้เป็นประตูของการบรรลุมรรคผล น, ผนิพพานใจมีเป็นกลางด้วยปัญญาแลกมีสังขารู้เบกขายาณเป็นกลางเพราะมีปัญญาเห็นความจริง เ่สิ่งที่ปลูกแต่งทั้งหลายเกิดแล้วก็ดับไปทั้งสิ้นไม่เที่ยงเป็นทุกข์บังคับไม่ได้ถ้าใจเป็นกลางใจจะไม่ดิน้นใจไม่ดิน้นใจก็จะไปเห็นธรรมะที่ไม่ดิน้นธรรมะใจที่เป็นกลางมันไม่มีความอยาก้วนะคือเป็นกลางมันก็ไปเห็นธรรมะที่ไม่อยากธรรมะที่ไม่อยากเรียกว่าวิราคะธรรมะที่มันไม่ดิน้นไม่ดิ้นร น, เ, นเรียกว่าวิสังขาร วิราคากาวิสังขารนะี่เป็นชื่อของนิพพานนีน่งั้นเราภาวนาไปนะเราคอยรู้กายคอยรู้ใจของเราเรื่อยๆไปโดยเฉพาะพวกเราชาวบ้านชาวเมืองชอบคิดมากก็ดูจิต ด, ดูใจไปได้ดูง่ายดูไปเรื่อยดูทั้งวันดูบ่อยๆเท่าที่ทําได้รู้บ้างเผลอบ้างรู้บ้างเผลอบ้างไปทั้งวันนะไม่ใช่รู้ตลอดเวลานะเป็นไปไม่ได้รู้บ้างเผลอบ้างไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งก็จะเห็นเลยทั้งรู้ทั้งเผลอนะั้นเท่าเทียมกัน เป็นไตรลักเท่าๆกันใจเป็นกลางใจไม่ดิน้นถ้าใจไม่ดิน้นใจก็จะเข้าถึงธรรมะส่วนใจของเราดิ้นนะเห็นโทสะเกิดขึ้นก็ดินนะ้นเลยอยากให้หายอยากให้หายโทสะเห็นราคะเกิดก็อยากให้ราคะดับไปเห็นกุศลเกิดก็อยากให้กุศลเกิดนานๆอยากรู้ตัวนานๆไม่อยากรู้แวบเดียวที่จริงเกิดทีลรแวบเท่านั้นจิตมันเกิดทีลรขณะขณะแวบ ๆ, ๆ, ๆ, ๆไป ไปอยากไอ้ของที่มันไม่มีอยากของอยากสุขอยากดีถาวรสุขถาวรนี่อยากของไม่มีไม่มีวันสําเร็จหรอกไปอยากของที่มันไม่มีแต่ถ้าเรียนรู้จนเห็นความจริงเลยเกิดแล้วดับเกิดแล้วดับนะั่นเสมอภาคในเวลาวางวางทั้งคู่เลยนะเป็นกลางกับมันเพรเป็นกลางเนะียมันถึงจะวางได้ถ้ายังไม่เป็นกลางมันจะไปหยิบอันหนึ่งแล้วก็ไปผลักอีกอันหนึ่งเช่นสุขทุกข์เราก็จะไปหยิบเอาสุขจะไปผลักทุกข์เนีย ดีกับชั่วเนี่ยเราคนดีเราก็จะไปหยิบเอาดีไปผลักชั่วใจจะทํางานไปได้เพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิบัตินะดูจิตดูใจไปพอจิตใจไปรู้อะไรเข้าแล้วให้รู้ทันจิตใจลงไปอีกมันเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาให้รู้ทั น, นพระเจ้าสอนดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อใจรู้ธรรมารมณ์ธรรมารมเพราะทุกอย่างที่ใจไปรู้เข้า ก็คือเมื่อใจไปรู้ทุกอย่างที่ใจไปรู้เข้าหากความยินดียินร้ายใดๆเกิดขึ้นนะให้รู้ทันมันพอรู้ทันมันนะใจจะเป็นกลางแล้วก็รู้สภาวะนั้นต่อไปรู้ธรรมารมณ์นั้นต่อไปด้วยใจที่เป็นกลางใจไม่ดิน้นถึงจุดหนึ่งปัญญามันเกิดคราวนี้มันเป็นกลางด้วยปัญญาละเป็นกลางด้วยปัญญาอย่างแท้จริงใจก็ไม่ดิ้นรนใจที่ไม่ดิ้นรนเนี่ยใจจะเข้าถึงธรรมะละเข้าถึงวิราคะเข้าถึงวิสังขาร เข้าถึงวีมุิแปดโมงพอดีไม่มีเวลาให้พอรฟังธรรมะสำคัญกว่านะพอเพลินเลย